วักที่เจ็ดมหาวักหมวดว่าด้วยพระสูตรที่มีเนื้อหาสำคัญอัสตวาสูตรว่าด้วยผู้ไม่ได้สดับอธิบายศัพท์ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับหมายถึงปุถุชนผู้เว้นจากการศึกษาเล่าเรียนการสอบถามการวินิจฉัยในขันธาตุอายตนะปัจจยาการและสติปัฐานเป็นต้น สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินธิกะเศรษฐีเขกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับพึงเบื่อหน่ายบ้างคลายกำนัดบ้างหลุดพ้นบ้าง จักกายซึ่งเป็นที่ประชุมแห่งมหาพูตรูปทั้งสีน่นี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเหตุที่การประชุมก็ดีความสิ้นไปก็ดีการยึดถือก็ดีการทอดทิ้งกายซึ่งเป็นที่ประชุมแห่งมหาพูตะรูปทั้งสี่นี้ก็ดีย่อมปรากฏเพราะฉะนั้นปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ พึงเบื่อหน่ายบ้างคลายกำนัดบ้างหลุดพ้นบ้างจากกายนั้นตถาคตเรียกสิ่งนี้ว่าจิตบ้างมโนโบ้างวิญญาณบ้างผูุ้ชนผู้ไม่ได้สดับไม่อาจเบื่อหน่ายคลายกำนัดหลุดพ้นไปจากจิตเป็นต้นนั้นได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตเป็นต้นนี้ ถูกรัดไว้ด้วยตัญหายึดถือว่าเป็นของเราเป็นสิ่งที่ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับยึดมั่นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราตลอดกาลนานเพราะฉะนั้นปุถุชนผู้ไม่ได้สดับจึงไม่อาจเบื่อหน่ายคลายกำนัดหลุดพ้นไปจากจิตเป็นต้นนั้นได้ภิกษุทั้งหลาย บุตุชนผู้ไม่ได้สดับพึงยึดถือกายซึ่งเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตรูปสีน่นี้โดยความเป็นอัตตาอย่างประเสริฐกว่าส่วนการยึดถือจิตโดยความเป็นอัตตาไม่ประเสริฐเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะกายซึ่งเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตรูปทั้งสีน่นี้เมื่อดำรงอยู่หนึ่งปีบ้างสองปีบ้าง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 ย่อมจับกิ่งอื่นปล่อยกิ่งนั้นแล้วย่อมจับกิ่งอื่นต่อไปฉะนั้นตถาคตจึงเรียกสิ่งนี้ว่าจิตบ้างมโนโบ้างวิญญาณบ้างจิตเป็นต้นนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดทั้งคืนและวันสำหรับคำว่าจิตเป็นดวงนั้นขอให้เข้าใจว่า ท่านน่าจะแปลาตามสมมติบัญญัติให้คนเข้าใจง่ายนะครับสำหรับท่านที่ศึกษาลึกซึ้งก็จะเข้าใจว่าจริงจิงแล้วจิตไม่ได้เป็นดวงแต่เป็นขณะสำหรับคำสอนในพระพุทธศาสนาก็ต้องเข้าใจด้วยว่าคำไหนเป็นสมมติบัญญัติเป็นการสื่อตามภาษาโลกให้คนทั่วไปได้เข้าใจกับส่วนไหนเป็นธรรมแท้ที่เป็นปรมัติ พระผู้มีพระภาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอริยาสาวกผู้ได้สดับย่อมมนสิการปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละโดยแยบคายในกายและจิตนั้นว่าเพราะเหตุนี้เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีและเพราะสิ่งนี้ดับ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 ความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการชะ น, นี้ภิกษุทั้งหลายอริยาสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อนายแม้ในรูปแม้ในเวทนาแม้ในสัญญาในสังขารและในวิญญาณเมื่อเบื่อนายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้ว ก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปภิกษุทั้งหลายอุทุชนผู้ไม่ได้สดับพึงเบื่อในบ้างคลายกำนัดบ้างหลุดพ้นบ้างจากกายซึ่งเป็นที่ประชุมแห่งมหาพูดทั้งสี่นี้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 ตถาคตเรียกสิ่งนี้ว่าจิตบ้างมโนโบ้างวิญญาณบ้างปุถุชนผู้ไม่ได้สดับไม่อาจเบื่อหน่ายคลายกำนัดหลุดพ้นไปจากจิตเป็นต้นนั้นได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตเป็นต้นนี้ถูกรัดไว้ด้วยตัณหายึดถือว่าเป็นเราเป็นสิ่งที่ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับยึดมั่นว่านั่นของเราเราเป็นนั่น นั่นเป็นอัตตาของเราตลอดกาลนานเพราะฉะนั้นปุถุชนผู้ไม่ได้สดับจึงไม่อาจเบื่อหน่ายกลายกหนัดหลุดพ้นไปจากจิตเป็นต้นนั้นได้ภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับพึงยึดถือกายซึ่งเป็นที่ประชุมแห่งมหาพูดทั้งสีน่นี้โดยความเป็นอัตตาอย่างประเสริฐกว่า ส่วนการยึดถือจิตโดยความเป็นอัตตาไม่ประเสริฐเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเรากกายซึ่งเป็นที่ประชุมแห่งมหาพูดทั้งสีน่นี้เมื่อดำรงอยู่หนึ่งปีบ้างห้าสิบปีบ้างร้อยปีบ้างหรือเกินกว่านั้นบ้างจิตนี้ก็ยังปรากฏตถาคตรเรียกสิ่งนี้ว่าจิตบ้างมนโนบ้างวิญญาณบ้างจิตเป็นต้นนั้น ดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดทั้งคืนและวันภิกษุทั้งหลายอริยส า, าวกผู้ได้สดับย่อมมณสิการปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละโดยแยบขายในกายและจิตนั้นว่าเพราะเหตุนี้เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มี และเพราะสิ่ง น, นี้ดับสิ่ง น, นี้จึงดับสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะที่เป็นปัจจัยแห่งสุขเวทนาเพราะผัสสะที่เป็นปัจจัยแห่งสุขเวทนานั้นแหละดับไปสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะที่เป็นปัจจัยแห่งสุขเวทนาซึ่งสวยอารมณ์อันเกิดจากผัสสะนั้นก็ดับระงับไป และโดยในยะเดียวกันทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะที่เป็นปัจจัยแห่งเวทนานั้นเพราะผัสสะที่เป็นปัจจัยแห่งเวทนานั้นดับไปทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนานั้นซึ่งสวยอารมณ์อันเกิดจากผัสสะนั้นก็ดับระงับไปภิกษุทั้งหลาย เพราะไม้สองท่อนเสียดสีกันจึงเกิดความร้อนลุกเป็นไฟแต่ถ้าแยกไม้สองท่อนนั้นออกจากกันความร้อนที่เกิดจากการเสียดสีกันนั้นก็จะดับมอดลงแม้ชันใดก็ชันนั้นเหมือนกันสุขเวทนาหรือทุกเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นก็เพราะอาศัยผสัสสะที่เป็นปัจจัยแห่งเวทนานั้น และเพราะผัสสะที่เป็นปัจจัยนั้นดับไปสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาหรืออธทุกขมาสุขเวทนาที่เกิดขึ้นซึ่งสวยอารมณ์อันเกิดจากผัสสะนั้นก็ดับระงับไปฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายอริยาสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแมในผัสสะแมในเวทนาสัญญาสังขาร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 ว่าด้วยเนื้อบุตรนักุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายดังนี้ภิกษุทั้งหลายอาหารสี่อย่างนี้เป็นไปเพื่อความดำรงอยู่ของหมู่สัตว์ผู้เกิดแล้วหรือเพื่ออนุเคราะห์หมูสัตว์ผู้สแสวงหาที่เกิดอาหารสี่อย่างอะไรบ้าง คือกาวลิงการาหารที่หยาบหรือละเอียดผัสสาหารมโนสันเจตนาหารและวิญญาณอาหารกาวลิงการาหารจะพึงเห็นได้อย่างไรคือเปรียบเหมือนพัญญาสามีทั้งสองถือเอาสเสบียงเล็กน้อยเดินทางกันดานคือทางที่ข้ามยากและมีภัยหลายอย่าง เขาทั้งสองมีบุตรน้อยหนึ่งคนทั้งน่ารักและน่าพอใจขณะที่พวกเขากำลังเดินทางสเสบียงที่มีเพียงเล็กน้อยได้หมดสิ้นไปแต่ทางกันดานของพวกเขายังไม่ผ่านไปยังเหลืออยู่ไกลลําดับนั้นเขาทั้งสองตกลงกันว่าทางที่ดีพวกเราช่วยกันค่าบุตรน้อยที่น่ารักน่าพอใจคนนี้ซะ ทำเป็นเนื้อเค็มและเนื้อยา่างบริโภคเนื้อบุตรก็จะข้ามพ้นทางกันดาลที่เหลืออยู่ได้เราทั้งสามอย่าพี่น่าพร้อมกันเลยต่อมาทั้งสองนั้นก็ฆ่าบุตรน้อยที่น่ารักน่าพอใจคนนั้นทำเป็นเนื้อเค็มและเนื้อยา่างบริโภคเนื้อบุตรนั้นแหละจึงข้ามพ้นทางกันดา น, นั้นไปได้พวกเขาบริโภคเนื้อบุรไปพลางทุอบอกไปพลาง รำพันกร้ามครวญถึงบุตรน้อยของตนเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือพวกเขาบริโภคเนื้อบุตรเป็นอาหารเพื่อเล่นเพื่อความมวัวเมาหรือเพื่อตกแต่งเพื่อประดับร่างกายหรือไม่หามิได้พระพุทธเจ้าค่ะพวกเขาบริโภคอาหารที่ปรุงจากเนื้อบุตรเพียงเพื่อจะข้ามทางกันดารให้พ้นใช่หรือไม่ ใช่พระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายอุปมาณิฉันใดอุปมาอก็ฉันนั้นเรากล่าวว่าบุคคลพึงเห็นกาวลิงการาหารอาหารคือคำข้าวเป็นต้นเปรียบเหมือนเนื้อบุรเมื่ออริยส า, าวกกาหนดรู้กาวลิงการาหารได้แล้วก็เป็นอันกาหนดรู้ราคาซึ่งเกิดจากกามคุณห้า เมื่อกำหนดรู้ราคะซึ่งเกิดจากกรรมคุณห้าได้แล้วสังโยชน์ที่เป็นเครื่องชักนำอริยาสาวกให้มาสู่โลกนี้อีกก็ไม่มีภิกษุทั้งหลายผัสสะหารจะพึงเห็นได้อย่างไรคือเปรียบเหมือนแม่โคที่ไม่มีหนังหุ้มถ้ายืนพิงฝาอยู่ก็จะถูกฝูงสัตว์ที่อาศัยฟาเจาะกิน ถ้ายืนพิงต้นไม้อยู่ก็จะถูกฝูงสัตว์ที่อาศัยต้นไม้เจาะกินถ้าลงไปยืนแช่น้าอยู่ก็จะถูกฝูงสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำกัดกินถ้ายืนอยู่ในที่แจ้งก็จะถูกฝูงสัตว์ที่อาศัยอยู่ในอากาศเกาบจิกกินไม่ว่าแม่โคตัวนี้ไม่มีหนังหุ้มตัวนั้นจะไปอาศัยอยู่ในสถานที่ใดๆก็ตาม ก็ถูกจำพวกสัตว์ที่อาศัยอยู่ในสถานที่นั้นๆกัดกินอยู่ร่ำไปอุปมานี้ฉันใดอุปไัยก็ฉันนั้นเรากล่าวว่าบุคคลพึงเห็นผัสสะหารเปรียบเหมือนแม่โคที่ไม่มีหนังหุ้มเมื่ออริยสาวกกำหนดรู้ผัสสะหารได้แล้วก็เป็นอันกำหนดรู้เวทนาสามประการ เมื่อกำหนดรู้เวทนาสามประการได้แล้วเรากล่าวว่าไม่มีสิ่งใดที่อริยสาวกพึงทำให้ยิ่งไปกว่านี้เวทนาสามได้แก่สุขเวทนาความรู้สึกเป็นสุขทุกขเวทนาความรู้สึกเป็นทุกขอทุกขมสุขเวทนาความรู้สึกเฉยเฉยไม่ทุกข์ไม่สุขหรือเรียกว่า อุเบกขาเวทนาที่อริยสาวกกำหนดรู้ด้วยปริญญาสามในผัสสาหารที่กำหนดรู้แล้วมโนสัญเจตนาหารจะพึงเห็นได้อย่างไรคือเปรียบเหมือนหลุมทานเพลิงลึกกว่าชั่วคนเต็มไปด้วยทานเพลิงไม่มีเปลวไม่มีควันครั้งนั้นบุรุษคนหนึ่ง ต้องการมีชีวิตไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกขเดินมาบุรุษมีกําลังสองคนจับแขนของเขาคนละข้างจุดไปลงหลุมฐานเพลิงทันใดนั้นเขามีเจตนาปรารถนาตั้งใจจะไปให้ไกลาจากหลุมฐานเพลิงข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเขารู้ว่าถ้าเราจะตกหลุมฐานเพลิงนี้ เราจะต้องตายหรือถึงทุกปางตายเพราะเหตุนั้นอุปมาณ้ฉันใดอุปไหยก็ฉันนั้นเรากล่าวว่าบุคคลพึงเห็นมโนสัญเจตนาหารเปรียบเหมือนหลุมฐานเพลิงเมื่ออริยะสาวกกําหนดรู้มโนสัญเจตนาหารได้แล้วก็เป็นอันกําหนดรู้ตัณหาสามประการเมื่อกําหนดรู้ตัณหาสามประการได้แล้ว เรากล่าวว่าไม่มีสิ่งใดที่อริยสาวกพึงทำให้ยิ่งไปกว่านี้ตัณหาสามได้แก่กามตัณหาความทยานอยากในกามภวะตัณหาความทยานอยากในภพและวิภวะตัณหาความทยานอยากในวิภพวิญญาณอาหารจะพึงเห็นได้อย่างไร คือเปรียบเหมือนราชบุรุษทั้งหลายจับโจรผู้ประพฤติชั่วได้แล้วจึงทูลแสดงแก่พระราชาขอจงทรงลงพระอาญาโจรผู้นี้ด้วยเถิดพระราชาสั่งให้ประหารโจร น, นั้นด้วยหอกร้อยเล่มในเวลาเช้าราชบุรุษทั้งหลายก็ช่วยกันประหารนักโทษคนนั้นต่อมาในเวลาเที่ยงวันโจร น, นั้นก็ยังมีชีวิตอยู่ พระราชาจึงทรงสั่งให้ไปประหารอีกด้วยหอกร้อยเล่มต่อมาในเวลาเย็นโจนนั้นก็ยังมีชีวิตอยู่พระราชาจึงทรงสั่งให้ไปช่วยประหารโจนนั้นอีกด้วยหอกอีกร้อยเล่มราชบุรุษทั้งหลายก็ช่วยกันประหาร น, นับโทษคนนั้นด้วยหอกร้อยเล่มในเวลาเย็นเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไร คือเมื่อเขาถูกประหารด้วยหอกสามร้อยเล่มตลอดทั้งวันจะพึงได้เสวยทุกโทมนัทซึ่งมีการประหาร น, นั้นเป็นเหตุใช่หรือไม่กราบทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเขาถูกประหารแม้ด้วยหอกหนึ่งเล่มยังได้เสวยทุกโทมนัทซึ่งมีการประหาร น, นั้นเป็นเหตุไม่ต้องพูดถึงเมื่อถูกประหารด้วยหอกสามร้อยเล่มเลย ภิกษุทั้งหลายอุปมาณ้ฉันใดอุปมาอีก็ฉันนั้นเรากล่าวว่าบุคคลพึงเห็นวิญญาณอาหารเปรียบเหมือนนักโทษประหารนั้นเมื่ออริยาสาวกกําหนดรู้วิญญาณอาหารได้แล้วก็เป็นอันกําหนดรู้นามรูปได้เมื่อกําหนดรู้นามรูปได้แล้วเรากล่าวว่าไม่มีสิ่งใดที่อริยาสาวก พึงทำให้ยิ่งไปกว่านี้อธิราคาสูตรว่าด้วยราคะมีอยู่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายอาหารสี่อย่างนี้ เป็นไปเพื่อความดำรงอยู่ของหมู่สัตว์ผู้เกิดแล้วหรือเพื่ออนุเคราะห์หมูสัตว์ผู้สแสวงหาที่เกิดอาหารสี่อย่างคือกาวลิงการาหารที่หยาบหรือละเอียดผัดสาหารมโนสัญเจตนาหารละวิญญาณอาหารทาราคะคือความกำหนัดนันทิคือความเพลิดเพลินตัญหาคือความทยานอยาก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 ที่นั้นย่อมมีการเกิดในภพใหม่ต่อไปที่ใดมีการเกิดในภพใหม่ต่อไปที่นั้นย่อมมีชาติชราและมรณะต่อไปที่ใดมีชาติชราและมรณะต่อไปเรากล่าวว่าที่นั้นมีความโศกมีความกระวนกระวายและมีความขับแค้นและโดยในยะเดียวกัน ถ้าราคานันทิละตนะหามีอยู่ในภาษาหารมโนสัญเจตนาหารและในวิญญาณาาหารก็เช่นเดียวกันเปรียบเหมือนเมื่อมีน้ำย้อมครั่งขมิน้นสีเขียวหรือสีแดงอ่อนช่างย้อมหรือจิตตกรพึงเขียนรูปภาพสตรีหรือรูปภาพบุรุษให้ได้สัสดส่วนครบถ้วนลงบนแผ่นกระดานที่ขัดดีแล้ว ฝาผนังหรือแผ่นผ้าอุปมาณิฉันใดอุปไหยก็ฉันนั้นถ้าราคะนันทิตันหามีอยู่ในกาวะลิงการาหารหรือในผัสสะหารหรือในมโนสันเจตนาหารหรือในวิญญาณอาหารวิญญาณจะตั้งอยู่งอกงามในอาหารนั้นๆที่ใดมีวิญญาณตั้งอยู่งอกงามที่นั้น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 มีความโศกมีความกระวนกระวายและมีความคับแค้นภิกษุทั้งหลายถ้าราคานานทิตันหาไม่มีในกาวลิงการาหารหรือไม่มีในผัสสาหารไม่มีในมโนสัญเจตนาหารไม่มีในวิญญาณอาหารวิญญาณจะไม่ตั้งอยู่งอกงามในอาหารนั้นๆที่ใดวิญญาณไม่ตั้งอยู่งอกงาม ที่นั้นย่อมไม่มีนามรูปอย่างลงไม่มีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายไม่มีการเกิดในภพใหม่ต่อไปที่ใดไม่มีการเกิดในภ mm hmm. like, พใหม่ calls. ต่อไปที่นั้นย่อมไม่มีชาติชาาและมรณะต่อไปที่ใดไม่มีชาติชาาและมรณะต่อไปเรากล่าวว่าที่นั้นไม่มีความโศบไม่มีความกระวนกระวาย และไม่มีความขับแค้นเปรียบเหมือนเรือนยอดคือเรือนที่มีช่อฟ้าหนึ่งตัวหรือสาลาเรือนยอดคือสาลาที่มีช่อฟ้าสองตัวมีหน้าต่างด้านทิศเหนือทิศใต้หรือทิศตะวันออกพอดวงอาทิตย์ขึ้นแสงสว่างที่เข้าทางหน้าต่างจะพึงส่องไปที่ไหนกราบทูลตอบว่า ส่องไปที่ฝาด้านทิศตะวันตกพระพุทธเจ้าข่าถ้าไม่มีฝาด้านทิศตะวันตกเล่าแสงสว่างนั้นจะพึงส่องไปที่ไหนที่แผ่นดินพระพุทธเจ้าค่าถ้าไม่มีแผ่นดินเล่าแสงสว่างนั้นจะพึงส่องไปที่ไหนที่น้ำพระพุทธเจ้าค่ะถ้าไม่มีน้ำเล่าแสงสว่างจะพึงส่องไปที่ไหน ไม่มีที่ส่องพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายอุปมาณ้ฉันใดอุปไมค์ก็ฉันนั้นถ้าราคะนันทิตันหาไม่มีในกาวลิงการอาหารไม่มีในผัสสะอาหารไม่มีในมโนสันเจตนาอาหารไม่มีในวิญญาณอาหารวิญญาณจะไม่ตั้งอยู่งอกงามในอาหารนั้นๆ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 ที่ใดไม่มีชาติชราและมรณะต่อไปเรากล่าวว่าที่นั้นไม่มีความโศกไม่มีความกระวนกระวายและไม่มีความขับแค้นนักระสูตรว่าด้วยนครพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้น ตรัสแสดงเรื่องนี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ภิกษุทั้งหลายก่อนแต่ตรัสรู้เมื่อเราเป็นโพธิสัตว์ได้มีความคิดคำนึงอย่างนี้ว่าโลกนี้ถึงความคับแค้นจึงเกิดแก่ตายจุติและอุบัติก็บุคคลไม่รู้อุบายสลัดออกจากทุกข์คือชราและมรณะนี้เมื่อไร่จึงจะพ้นจากทุกข์ คือชราและมรณะนี้ได้เราได้ดำริว่าเมื่ออะไรมีชราและมรณะจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยชราและมรณะจึงมีเพราะมะารณาสิการโดยแยบขายเราจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่อชาติมีคือเมื่อมีการเกิดชราและมรณะจึงมี เพราะชาติคือการเกิดเป็นปัจจัยชราและโมระนัจึงมีเราได้ดำริว่าเมื่ออะไรมีชาติจึงมีภพจึงมีอุปาทานตัณหาเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะมณสิการโดยแยกคาย เราจึงได้รู้แจ <rete> ้ง mm ด้วยปัญญาว่าเพราะวิญญาณมีนามรูปจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเราได้ดำริว่าเมื่ออะไรมีวิญญาณจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะมณสิการโดยแยบคายเราจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเพราะนามรูปมี วิญญาณจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเราได้ดำริว่าวิญญาณนี้ย่อมกลับมาไม่พ้นจากนามรูปด้วยเหตุเพียงเท่านี้โลกจึงเกิดแก่ตายจุดติและอุบัติกล่าวคือเพราะนามรูปเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมี เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตณะจึงมีเป็นต้นนั้นความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวล น, นี้มีได้ด้วยประการเช่นนี้ภิกษุทั้งหลายจากขุยานปัญญาวิชาแสงสว่างเนธธรรมะทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อน ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราว่าสมุทัยเหตุเกิดทุกข์เราได้ดำริว่าเมื่ออะไรไม่มีชาราและมรณะจึงไม่มีเมื่ออะไรดับชาราและมรณะจึงดับเพราะมณสิการโดยแยบคายเราจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่อชาติคือการเกิดไม่มีชาราและมรณะจึงไม่มีเมื่อชาติดับ ชราและมรณะจึงดับและโดยในยะเดียวกันเพราะอะไรไม่มีชาติจึงไม่มีอุปาทานตันหาเวทนาปัสสะสลายตนะนามรูปและวิญญาณจึงไม่มีเราได้ดำริว่าเพราะอะไรไม่มีวิญญาณจึงไม่มีเพราะอะไรดับวิญญาณจึงดับ เรามนัสิกาณโดยแยบคายเราจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเพราะนามรูปไม่มีวิญญาณจึงไม่มีเพราะนามรูปดับวิญญาณจึงดับเราได้ด âm ฤิว่ามัคนี้เราได้บรรลุแล้วด้วยปัญญาเครื่องตรัสรู้คือเพราะนามรูปดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับ สลายตณะจึงดับเป็นต้นนั้นความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวล น, นี้มีได้ด้วยประการชนนี้ภิกษุทั้งหลายจากขุยญาปัญญาวิชาแสงสว่างในธรรมะทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราว่านิโรธความดับทุกข์เปรียบเหมือนบุรุษเมื่อเที่ยวไปในปลาเล็กปลาใหญ่ พบทางเก่าที่คนสมัยก่อนเคยใช้เดินไปมาเขาเดินตามทางนั้นไปพบนครเก่าราชธานีโบราณซึ่งสมบูรณ์ด้วยสวนดอกไม้ป่าไม้สระบกกรณีเชิงเทียนล้วนหน้ารื่นรมที่คนสมัยก่อนเคยอยู่อาศัยต่อมาเขาได้กราบทูลพระราชาหรือเรียนแก่ราชมหาอมาตรว่าขอเดชะ ขอพระองค์โปรโดทรงรับรู้เถิดพระพุทธเจ้าข้าข้าพระพุทธเจ้าเมื่อเที่ยวไปในป่าเล็กป่าใหญ่ได้พบทางเก่าที่คนสมัยก่อนเคยใช้เดินไปมาข้าพระพุทธเจ้าเดินตามทางนั้นไปขณะเดินอยู่ก็ได้พบนครเก่าราชธานีโบราณซึ่งสมบูรณ์ด้วยสวนดอกไม้ปาม่าไม้ล้วนหน่ารื่นรมย์ที่คนสมัยก่อนเคยอยู่อาศัย ขอพระองค์โปรดให้สร้างพระนคร น, นั้นเถิดพระพุทธเจ้าค่าหลังจากนั้นพระราชาหรือราชมหาอมาตจึงได้สร้างนาคร น, นั้นขึ้นมาต่อมาพระนคร น, นั้นได้มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีประชากรมากมีพลเมืองหนานแน่นทั้งถึงความเจริญภัยบู์อุปมาณ้ฉันใดอุปมาอก็ฉันนั้น เราได้พบทางเก่าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆเคยเสด็จพระดำเนินทางเก่านั้นคืออริยมรรคมีองค์แปดนี้เท่านั้นได้แก่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิอริยมรรคมีองค์แปดนี้คือทางเก่าที่พระสัมมา ส, สัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆเคยเสด็จพระดำเนินเราก็ได้ดาเนินตามทางนั้น ได้รู้ชัดชาราและมรณะได้รู้ชัดความเกิดแห่งชารลาและมรณะได้รู้ชัดความดับแห่งชาราและมรณะและได้รู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งชาราและมรณะเราได้ดำเนินไปตามทางนั้นแล้วขณะดำเนินไปได้รู้ชัดชาติได้รู้ชัดภพได้รู้ชัดอุปาทานตัณหาเวทนาภัทร สลายตนะะได้รู้ชัดนามรูปได้รู้ชัดวิญญาณเราได้ดำเนินตามทางนั้นแล้วขณะดาเนินไปได้รู้ชัดสังขารทั้งหลายได้รู้ชัดความเกิดและความดับแห่งสังขารได้รู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสังขารรั้นได้รู้ชัดอริยามรรคมีองค์แปดนั้นแล้วเราจึงบอกแกภิกษุ ภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาภิกษุทั้งหลายองค์รมรจันนี้จึงได้บริบูรณ์กว้างขวางรู้จักกันโดยมากมั่นคงดีกระทั่งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายประกาศได้ดีแล้วส ม, มะสัจ ส, สูตรว่าด้วยการพิจารณาปัจจัยภายใน สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณ น, นิคมของชากุรุชื่อว่ากรร ม, มาสะธรรมะแควนกุรุณที่นั้นพระผู้มีพระภาคตรัสแสดงเรื่องพิจารณาปัจจัยภายในแก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อพิจารณาย่อมพิจารณาปัจจัยภายในว่า ชราและมรณะนี้ใดมีทุกหลายอย่างนับไม่ถ้วนเกิดขึ้นในโลกชราและมรณะนี้เป็นทุกข์ชราและมรณะที่เป็นทุกนี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเมื่ออะไรมีชราและมรณะจึงมีเมื่ออะไรไม่มีชราและมรณะจึงไม่มี เมื่อเธอพิจารณาอยู่จึงรู้อย่างนี้ว่าชราและมรณะนี้ใดมีทุกข์หลายอย่างนับไม่ถ้วนเกิดขึ้นในโลกชราและมรณะที่เป็นทุกข์นี้มีอุปปิเป็นเหตุคือมีกิเลสที่ทำให้ติดอยู่ในวัตตะในที่นี้หมายถึงขันห้าชราและมรณะที่เป็นทุกข์นี้มีอุปปิเป็นเหตุมีอุปปิเป็นเหตุเกิด มีอุปธิเป็นกำเนิดมีอุปธิเป็นแดนเกิดเมื่ออุปธิมีชราและมรณะจึงมีเมื่ออุปธิไม่มีชราและมรณะจึงไม่มีเธอรู้ชัดชราและมรณะรู้ชัดความเกิดความดับรู้ชัดปฏิปทาอันเหมาะสมที่ให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะและเธอผู้ปฏิบัติอย่างนั้น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 เมื่ออะไรมีอุป <het> ธ <algo así> ิจึงมีเมื่ออะไรไม่มีอุปธิจึงไม่มีเธอพิจารณาอยู่จึงรู้อย่างนี้ว่าอุปธิมีตันหาเป็นเหตุมีตันหาเป็นเหตุเกิดเมื่อตันหามีอุปธิจึงมีเมื่อตันหาไม่มีอุปธิจึงไม่มีเธอรู้ชัดอุปธิรู้ชัดความเกิดความดับ รู้ชัดปฏิปทาอันเหมาะสมที่ให้ถึงความดับแห่งอุปทิและเธอผู้ปฏิบัติอย่างนั้นชื่อว่าผู้มีปกติประพฤตตามธรรมเราเรียกภิกษุนี้ว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกเพื่อความดับแห่งอุปธิโดยชอบทุกประการอีกประการหนึ่งภิกษุเมื่อพิจรารณา ยอมพิจารณาปัจจัยภายในว่าตัณหานีเมื่อเกิดยอมเกิดขึ้นในที่ไหนเมื่อตั้งอยู่ยอมตั้งอยู่ในที่ไหนเธอพิจารณาอยู่จึงรู้อย่างนี้ว่ารูปที่เป็นปิยารูปคือรูปที่น่ารักน่าปรารถนาและรูปที่เป็นสาตารูปคือรูปที่น่ายินดีน่าต้องการ รูปที่เป็นปีญารูปและเป็นสาตารูปรูปใดนี้มีอยู่ในโลกตัณหาเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นในรูปนั้นเมื่อตั้งอยู่ยอมตั้งอยู่ในรูปนั้นก็ อ, อะไรเล่าเป็นปีญารูปเป็นสาตารูปในโลกคือจักขุเป็นปีญารูปเป็นสาตารูปในโลกโสตักคานะฉิวหา กายและมโนเป็นปียรูปเป็นสาธรูปในโลกตัณหานั้นเมื่อเกิดย่อมเกิดขึ้นในจักขุในโสตในคานะในชิวหาในกายและในมโนเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในแต่ละอายตนะนั้นสมณพราหม์เหล่าใดเหล่านึงในอดีตในอนาคตและในปัจจุบัน ได้เห็นจากเห็นและเห็นรูปที่เป็นปียรูปเป็นสาตรูปในโลกโดยความเป็นของเที่ยงเป็นสุขเป็นอัตตาไม่มีโรคสมณพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าทำตัณหาให้เจริญสมณพราหมณ์เหล่าใดทำตัณหาให้เจริญแล้วสมณพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าทำอุปธิให้เจริญเมื่ออุปธิเจริญแล้ว ชื่อว่าทําทุกข์ให้เจริญเมื่อทําทุกข์ให้เจริญแล้วชื่อว่าไม่พ้นจากชาติชรามรโมรณะโสกบาลิเทวะทุกโทมานต์และอุปาญาตเรากล่าวว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นไม่พ้นจากทุกข์ไปได้เปรียบเหมือนขันสมริดใส่สุราสมบูรณ์ด้วยสีกลิ่นและรสแต่ขันใบนั้นเจือยาพิษ ขณะนั้นมีบุรุษเดินฝ่าความร้อนอบอ้าวเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ากระหายน้ำมาคนทั้งหลายจึงพูดกับเขาว่าพ่อหนุ่มขันสมฤทธิ์ใสสุราใบานี้มีไว้สำหรับท่านแต่ว่ามันเจือยาพิษถ้าท่านต้องการก็จงดื่มเถิดเพราะเมื่อดื่มสุรานั้นก็จกซึมซาบด้วยสีบ้างกลิ่นบ้างรสบ้างก็แหละครั้นดื่มแล้ว ท่านจะตายหรือทุกปางตายเพราะการดื่มนั้นบุรุษนั้นไม่ทันพิจารณาขันน้าสำริดนั้นก็รีบดื่มจนหมดที่สุดเขาพึงตายหรือทุกปางตายเพราะการดื่มนั้นภิกษุทั้งหลายอุปมาณิฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นสมณพรามหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในอดีตในอนาคตและในปัจจุบัน เห็นรูปที่เป็นปียรูปเป็นสาตารูปในโลกโดยความเป็นของเที่ยงเป็นสุขเป็นอัตตายอมทําตัณหาให้เจริญเมื่อตัณหาเจริญชื่อว่าทําอุปัิให้เจริญชื่อว่าทําทุกข์ให้เจริญชื่อว่าไม่พ้นจากชาติชราโมรณะโสกบาริเทวะทุกโทมนัตและอุปาญาตเรากล่าวว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้น ไม่พ้นจากทุกไปได้ส่วนสมณพราม์เห่าใดเ่าหนึ่งในอดีตหรือในอนาคตและในปัจจุบันได้เห็นจากเห็นและเห็นรูปที่เป็นปียรูปเป็นสารรูปในโลกเห็นรูปทั้งหมดนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเป็นโรคเป็นภัย สมณพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าจะละตันหาได้เมื่อละตันหาได้จึงละสิ่งต่อๆมาได้เรากล่าวว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นจะพ้นจากทุกไปได้เปรียบเหมือนขันสมฤทธิส่สุราสมบูรณ์ด้วยสีกลิ่นและรสแต่ขันใบนั้นเจือยาพิษ ขณะนั้นมีบุรุษเดินฝ่าความร้อนอบอ้าวเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ากระหายน้ำเดินมาคนทั้งหลายจึงพูดกับเขาว่าพ่อหนุ่มขันสมฤทธิสายสุราใบานี้มีไว้สำหรับท่านแต่ว่ามันเจือด้วยยาพิษถ้าท่านต้องการก็จงดื่มเถิดแต่เมื่อดื่มแล้วท่านจะตายหรือทุบปางตายเพราะการดื่มนั้นลำดับนั้นบุรุษนั้นพึงคิดว่า ความกระหายสุรานี้เราอาจจะบรรเทาได้ด้วยน้ำดื่มฟองน้ำส้มน้ำข้าวผาสมเกลือหรือน้ำยาดองแต่เราจะไม่ดื่มสุราที่ให้ประโยชน์สุกแก่เรามาช้านานนั้นเลยเขาพิจารณาขันสมริ์นั้นแล้วก็ไม่ดื่มเททิ้งไปเขาจึงไม่ตายหรือถึงทุกปางตายเพราะการดื่มนั้นภิกษุทั้งหลายอุปมาณีฉันใด อุปมาอก็ฉันนั้นสมณพราหม์เหล่าใดเหล่านึ่งในอดีตในอนาคตในปัจจุบันได้เห็นรูปจากเห็นรูปหรือเห็นรูปที่เป็นปิยรูปเป็นสาตารูปในโลกโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นโรคเป็นภัยสมณพราหม์เหล่านั้นชื่อว่าละตัญหาได้แล้วเมื่อละตัญหาได้แล้ว ก็ชื่อว่าละอุป um ธ <st> uh ิไ <Leo> ด้เมื่อละอุปธิได้แล้วก็ชื่อว่าละทุกข์ได้แล้วเมื่อละทุกขได้แล้วชื่อว่าพ้นไปจากชาติชราโมรณะโสกะบริเทวะทุกโทมนัสและอุปาญาตได้แล้วเรากล่าวว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นพ้นจากทุกข์ได้แล้ว